ขอความสุขความเจริญจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหาลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมกำมังนำเสนอนสันติสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยการสงบระงับจิตจากกิเลสในที่นี้ก็เน้นไปที่กิเลสกาม เป็นคำกล่าวของเทวดามาถึงช่วงที่บอกว่าที่จริงโลกกัลวัตถุมันไม่เป็นกามโดยธรรมชาติหรอกแต่ที่มันเป็นกามเพราะจิตคนไปกำหนดด้วยความกำหนัดความกำหนัดก็เกิดขึ้นในอารมณ์นั้นแต่จึงบอกว่า ความดำริ้ด้วยความกำหนัดนั้นเป็นกามของคนหม้ยความว่าแม่สัมผัสรูปเสียกลิ่นรสผลทพ้ทาอย่างเดียวกันแต่คนหนึ่งมีสติปัญญามีเหตุผลในการวิเคราะห์สอดส่องเราก็สามารถที่จะยับยั้งชั่งใจตัวเองได้แต่ที่จริงแนวตรงนี้ก็คือเป็นแนวพวกอินเสียสังวร ข้อนี้พึ่งสังเกตว่าในกระบวนการทางจิตที่พระเจ้าทรงจำแนกแสดงไว้โดยปริยายต่างๆเนี่ยอย่างในปฏิจจสมบปติที่พูดถึงอายตนาภัษาเวทนาตันหาปปาทานพบเราเจ็นว่าอายตนาภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ อยานอยนอาตนาภายนอกก็คือรูปสิยงกลิ่นรสผุทธะและก็ธรรมารมก็ตั้งคนตางอยู่ตัวเขาเองนอกจากจิตมันก็เป็นกลางๆโดยสถานะแต่เพราะเป็นเกณฑ์เป็นกลางกลางการมองสิ่งเหล่านั้นของคน อาจจะมองด้วยความกำหนัดก็ได้ด้วยความขัดขืนก็ได้ด้วยความรุ่มหลงก็ได้ด้วยความมัวเมาก็ได้คือบางครั้งเรื่องไม่น่าจะเป็นไปได้แต่เป็นไปได้ลองยกตัวอย่างว่าพุทธศาสนิกชนมองพระพุทธเจ้าด้วยความทราบซึ้งด้วยความศรัทธาเรื่มใสที่เปี่ยมล้นเกิดปิติประโมทที่ได้เห็นพระพุทธเจ้า แต่ว่ามาคันตยาพราหมณ์นั้นมองด้วยความรู้สึกอยากได้เป็นลูกเขยหลวงนางมาคันตยาพระมณีมองในแง่ว่าบุคคลผู้นี้หมดกิเลสแล้วแต่นางมาคันตยาทิดาเนี่ยมองด้วยความาคาดมา ร, ร้าย มารายที่พระพุทธเจ้าส่งปฏิเสธการถวายรูปสาวของมาคันดยาพระแล้วก็ส่งแสดงสถานะของพระองค์ให้ทราบแล้วก็ส่งมาสรุปถึงร่างกายเนี่ยว่าเหมือนกับหม้อที่เปื้อนอุจจาระคือหม้อที่ใส่อุจจาระก็ทาให้นางมาคันดยากโกรธว่าพระพุทธเจ้าดูหมินเธอ ร่างกายของเธอเหมือนกับหม้อที่ใส่อุจจาระเอ่อซึ่งความจริงแล้วมันก็เป็นสากลน่ น, นะฮะคือในท้องคนแต่ละคนมันก็มีอุจจาระอยู่เยอะตัวกันทั้งนั้นแต่จากการมองตัวนี้เราจะเห็นว่ามาคัญยพรามกับมาคัญยานีพรามณีบรรลุเป็นพระนาคามีในขณะที่ ลูกสาวปูอาคาตพยาบาทพระพุทธเจ้าจนจองเวรพระพุทธเจ้าสร้างบาปกรรมอีกกเนกกันนั้นเลยเดนถึงจุดหนึ่งเนี่ยปิดล้อมปราศาสขังพระยส า, าวกไว้ตั้งห้าร้อยแล้วก็จุดไฟเผาครอกตายหมดทั้งปราศาส์และตัวเองก็ถูกพระเจ้าอุเทนลงโทษ ตดยตัดชิ้นเนื้อที่ล่ำล่ในที่ตรงใดในส่วนต่างๆของร่างกายก็ทอดให้กินจนตายก็ประสุขความทุกข์ทรมานแล้วก็ดึงคนมาตายอีกเยอะเลยเห็นหรูปอย่างเดียวกันเสียงอย่างเดียวกันแต่ว่าวุฒิภาวะภายในจิตของคนมันแตกต่างกันไปกันคนละทิตละทางเลย วันเทวดาก็กล่าวในช่วงต่อไปว่าอารมณ์งามทั้งหลายย่อมตั้งอยู่ในโลกอย่างนั้นนั่นแหละบุคคลผู้มีปัญญาทั้งหลายไม่ได้เกี่ยวบผู้หญิงผู้ชายนะฮะให้ผู้มีปัญญาทั้งหลายย่อมการจัดฉันทะคือความพอใจหมายความว่าอยู่ที่เรารู้สึกอะ แต่เรารู้สึกพอใจว่ารูปนี้สวยนะ้าเสียงนี้ไพเรานะน้ากลิ่นนี้หอมนะ้ารสนีน่อร่อยนะสัมผัสนี้น่าจับต้องนะกิเลสมันก็ฟูขึ้นภายในใจอีกเป็นอันมากจนบางครั้งบางคราวเนี่ยรุนแรงกระบักนกอรก็ดูข่าวเด็กหนุ่มคนหนึ่งก็ไปล่วงรักผู้หญิงคนหนึ่ง แล้วเธอก็ไม่เล่นด้วยก็เลยไม่พอใจน้อยใจขึ้นไปบนเสาวิวทยุเป็นทำนองประท้วงนะฮะคนต้องไปช่วยกรอบกันแล้วก็ผู้หญิงนี้ก็ต้องเปิดตัวไปกรอบด้วยสงสารนั่นคืออะไรคือจิตมันไปกำหนดในแนวเดียวว่าเมื่อเรารักเขาเขาต้องรักเรา พอถ้าเขาไม่รักตอบก็จะเกิดโทสะหรือเกิดโศกโศะเกิดโทสะก็อาจจะประทุสล้ายผู้ที่เรารักเมื่อเราไม่ได้ครอบครองคนอื่นก็ไม่ยอมให้ครอบครองอาจจะประทุษร้ายตัวเองแล้วก็เรามีข่าวนะที่ว่าก็ตายตกไปทั้งสองฝ่ายหมายความมาฆ่าคนที่เรารัก ที่ไม่ยอมรับตอบแล้วก็กลัวความผิดประค่าเสร็จก็กลัวความผิดก็เลยฆ่าตัวตายเด้จริงๆมันเพิ่งเกิดทีหลังนะมาเกิดโดยการปรุงคิดคิดปรุงของคของของคนคนนั้นเองคนคนนั้นเขาก็อยู่เขาอย่างนั้นแหละนี่คือคือเรื่องของจิตที่ไปกำหนดด้วยอานาจของความกําหนด ท่านบอกว่าบุคคลผู้มีปัญญาทั้งหลายย่อมกำจัดฉันทะในอารมณ์ทั้งหลายนั้นโดยแท้แต่ทีนี้กิเลสมันไม่ได้มีเฉพาะโลภะนะแล้วก็มีโทสะมันก็มีโมหะ ม, มันก็มีอะไรอีกเยอะแต่ว่ารากงาวใหญ่มันก็มีสามอย่างท่านก็บอกว่าบุคคลพึงละความโกรธเสีย ความโกรธเป็นกิเลสประเภทที่ละยากแล้วก็มีโทษแรงคนทั่วไปก็ทำได้ระดับบรรเทาเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงไปแต่ถ้าจะดับได้เนี่ยต้องเป็นระดับพระนาคามีมักนะฮะคือระดับพระนาคามีทีเดียวลุกใหญ่แต่ระดับพระนาคามีเขาไม่เรียกว่าโกทะเขาไม่เรียกว่าโกรธแต่เขาเรีย ก, ก, ยกปฏิฆะ คือหมายความว่าความเข้มข้นมันจางลงจนกลายเป็นความหงุดหงิดความไม่พอใจมันไม่ถึงกับโกรธหรือไม่ถึงกับประคิดประทุษร้ายเพราะอะไรเพราะว่าไอ้จากจิตที่เป็นอย่างเนี้ยทำให้พระโสดาตกิตาคาเนี่ยไม่ผิดศีลโดยอัตโนมัติ คือสีห้านี่ท่านจะรักษาได้โดยอัตโนมัติแล้วเข้าถึงเนื้อหาด้วยหมายความสีนข้อที่1ก็เดินไปถึงเมตตาสีนข้อที่สองก็เดินไปถึงสมาธิและสีนข้อที่สก็เดินไปถึงการมาสังวรสีนข้อที่สก็เดินไปถึงสตเิเดินไปถึงสัจจะสีนข้อที่ห้าก็เดินไปถึงสติคือมันพัฒนาไปจนศีลเป็นธรรมะไป ก็กลายเป็นบันธรรมห้าประการซึ่งเราจะเห็นว่าองค์ธรรมห้าประการนี้พูดง่ายนะฮะแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะทำไม่ค่อยได้แม้แต่เราเอบเมตตาอย่างเดียวเรียกร้องความรู้สึกที่ดีต่อกันเนี่ยเพื่อสร้างสารค์ให้เกิดสามมิคีเอกาภาพขึ้นภายในสังคม ก็ซ้ำแล้วซ้ำอีกรมราชโวาทเป็นอนเนกนะฮะคือประรอเรื่องสามัญคีธรรมแต่ก็เกิดไม่ได้พอเรามองไปที่ประสูตบันว่าสังคมประโสูตบานไม่มีการทะเลาะไม่มีการถกเถียงเพราะมีความเห็นแยง้งเพราะใดเพราะว่าทัานทิฏฐิสัมปันโนคือมีความสมบูรณ์ระดับทิฏฐิ คือปัญญาระดับทิฏฐิเนี่ยทางเข้าถึงความสมบูรณ์แต่ก็ไม่นแน่หมายความกิเลสหมดเพียงแต่ว่ากิเลสอย่างหยาบแต่มันหมดไปก็แปรสภาพตัวเองมาเป็นปฏิฆะเพราะกานถ้าจะหลัดละได้อย่างที่ท่านบอกเนี่ยมันก็ต้องเป็นระดับมากแต่ในขณะเดียวกันชีวิตเราเนี่ยทำยังไงวะอยู่โดยเมตามาต่าไมิตีให้มาก มีความาอดกนอดทนให้มากแล้วอย่าไปใส่ใจเรื่องร้ายสาระต่างๆมากเกิดไปที่เราไม่ค่อยสงบเนเพราะเราชอบไปวุ่นวายกับคนอื่นผู้เจ้าส่งแสดงไว้ในพระธรรมบทว่าณเปรยสังวิโลมานิณเปรยสังอคตาอาคตังอตโนวาเวเคย า, า, าคตานิตานิจั คืออย่าไปใส่ใจถึงคำพูดที่ไร้สาระของคนอื่นหรือการกระทาที่ไร้สาระของคนอื่นแต่ว่าใส่ใจถึงเรื่องที่ทําแล้วและยังไม่ได้ทําของเราหมายความว่าความดีที่เราทําแล้วควรจะเพิ่มเติมอีกความชั่วที่เราทําไปแล้วก็ควรจะงดเว้นก็แล้วแต่นะฮะ มายความบทเรียนในอดีตมันก็มีทั้งสองอย่างแหละทั้งดีทั้งไม่ดีเพียงแต่ว่าเมื่อพิจารณามองชัดเจนทั้งด้านคุณด้านโทษแล้วก็ไปเพิ่มเติมส่วนดีแล้วก็ไปลดละดางคลายในส่วนที่ไม่ดีแล้วท่านบอกว่าพึงทิ้งมาหน้าเสียมาหน้านี่เรื่องใหญ่เลยมาหน้ามันเป็นกิเลสประเภทสังโยชน์นะ ประเภทอุปกิเลพประเภทสังโยชน์แล้วตัวลึกจริงๆก็คือเป็นสังโยชน์เป็นอนุสัยเขาเรียกว่ามา น, านุสัยหรือวาา่าสังโยชนม์มานาสังโยชน์เป็นความรู้สึกยึดติดในความเป็นอาจจะ ไปรู้สึกว่าเราเลิศกว่าเขาเราเสมอเขาเราเรวกว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเราถ้าเราเรวกว่าเขาเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเราเลิศกว่าเขาเราเสมอเขาเราเร็วกว่าเขาคือผู้ป้อนเนี่กระจายตัวเองออกไปเป็น9้าอย่างเป็นความรู้สึกปฏิเสธคนอื่นแต่ว่าเชื่อจูตัวเองแต่ในขณะเดียวกันไปถึงจุดหนึ่งเขาเรียกโอมานะเนี่ยดูมินตัวเอง เดีวก็ซ้ำเติมตัวเองโดยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเช่นคนโง่นี่ยไม่ยอมศึกษาแล้วเรียนอะไรเลยไม่ยอมพัฒนาตัวเองก็อยู่สังกตายไปเป็นวันๆแล้วตรงนี้ความคิดตรงนี้ถ้าเรามองถึงเราวันณะสูตรหรืออธิสูตรในปัจจุบันเนี่ยที่ประเทศอินเดียมีเป็นสิบล้านนะฮะเขาบอกว่ามีประมาณหกสิบล้าน คือกลายเป็นลูกตุ้ม่วงสังคมอินเดียอยู่สังคมอินเดียเป็นประเทศที่ค่อนข้างใหญ่นะถ้าพูดพูดถึงพื้นที่เนี่ยแต่พอดีคนมากกลายเป็นแออัดไปกลายเป็นแน่นไปมันก็เหมือนห้องประชุมเนอะคนมากคนน้อยเมื่อยอยู่ที่ห้องประชุมเล็กหรือใหญ่บางทีคนน้อยที่ห้องประชุมมันเล็กมันก็ดูเป็นคนมาก ที่บทีห้องประชุมมันใหญ่คนมากแล้วแหละแต่มามั น, มนใหญ่เหลือเกินนะเปคนก็นน้อยเพราะงั้นพวกยิเรศประเภทมานะเนี่ยมันดับได้ด้วยอาราธรรมมากเลยคนสามัญชนก็เพียงแต่ลดละลดไปบ้างนะฮะ ก็กลายเป็นนี่แหละอาหางการเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างโน้นมันเป็นลักษณะทางมานะคือเป็นที่น่าสังเกตเมื่อวันที่สนะิบเอ็ดะวันที่สิบเอ็ดมกราคมดิการไปสัมภาษณ์เด็กทางภาคใต้วันนู้ต้องการอะไรในวันเด็ก เธอบอกว่าต้องการเห็นบ้านเมืองสงบโดยเฉพาะสามจังหวัดภาคได้เนี่ยขอร้องพวกวางระเบิดพวกยิงคนเนี่ยเลิกได้แล้วแต่ว่าตอนที่เด็กเข้าพบท่านนายกเนี่ยก็ขอร้องว่าให้ผู้ใหญ่เนี่ยเลิกทะเลาะ ก, กัน เพราะว่าสื่อสารมวลชนที่ปรากฏในแต่ละวันเนี่ยมีข่าวการทะเลาะทุกวันนะแปลกจริงๆเลยแล้วคนใหญ่คนโตนะะมันไม่ใช่เด็กๆอะ่ะมันเป็นลักษณะมานณะที่ชัดเจนมากคือดดูมงคนอื่นแล้วตัวเองเป็นศูนย์ข้อความถูกต้องหมดพูดไปพูดมาคนอื่นผิดหมด แล้วก็เลวหมดแล้วก็เรียกร้องสมานฉันเรียกร้องสามัคคีเรียกร้องรู้รักสามาคัคคีเรืร่องความเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองมันเกิดไม่ได้เลยนะเพราะสิ่งที่เราทำมันเป็นการสร้างเงื่อนไขให้ทางความแตแกแยกนี่มันทางสังคมมันทางออกคือการอยู่ร่วมกันไปในสังคมเนี่ย เรื่องศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีก็ความเป็นมนุษย์นะฮะพระธรรมนูญมาซาที่ฉบับที่ไม่ใช่ปี4ี่ศูนย์ี่คือฉบับที่สิบหกเนี่ยแต่พูดถึงศักดิ์ศรีก็ความเป็นมนุษย์ไว้แต่ที่จริงแล้วเนี่ยศักดิ์ศรีคนจะต้องรักศักดิ์ศรีด้วยตัวกัตัวเองแล้วก็ทำตัวให้มีศักดิ์ศรีด้วยตัวเอง ไม่ใช่ไปเรียกร้องให้คนอื่นไปยกย่องไปยอมรับนับถือทั้งๆ ท, ท, ที่ตัวเองประพฤติไม่ถูกไม่ควรมันกลายเป็นการสร้างภาวะที่กดดันอนมามนณะเลยกลายเป็นอหังการนะฮะอามณะเองก็คืออหังการเราเป็นเราเป็นนั่นเราเป็นนี้เราเป็นโน้นเราใหญ่เรามีอํานาจเรามีบริวารแต่และอย่างนี่มันมันมันเกิด ไปถึงจุดหนึ่งก็เกิดแบ่งแยกะคือตัวเองมันเชื่อชูตัวเองสูงขึ้นสูงขึ้นมันก็ห่างจากคนอื่นไปเรื่อยๆบทเียนในประวัติศาสตร์ดิมันเยอะมากๆอะแล้วข่าวคราวต่างๆที่ปรากฏถึงสื่อมวลชนในประเทศต่างๆเป็นข่าวให้เราได้ฟังทุกวันแต่เราไม่นึกว่านี้คืออาการของกิเลสหรืออาการของธรรมะเราก็มองเป็นภาพสาบช่วย แต่ถ้าเราเข้าใจแล้วเนะี่ยจะเห็นว่านี่มันมันก็เกิดจากใจเราไปกําหนดตัวเองอะเราใหญ่อะไรเป็นใหญ่เราตายจากคนอื่นตรงไหนล่ะส่วนประกอบของร่างกายเราก็คือดินน้ําลมแพร่อากาศแล้วคนอื่นล่ะก็คือดินน้าลมแพร่อากาศอะจะอ้างสกุลที่เราเกิดแล้ะจะกูลคนอื่นมันด้อยตรงไห น, น คนก็คือคนคนก็คือคนนั่นเองแต่การมองคนให้เป็นคนโดยเสมอภาคนี่จะยากสุดๆเลยเพราะว่า ม, ม, มนุษย์นอกจากมีมานะแล้วมันมีสักยะคือชิ้ิอัตตาตัวตนเชิดชูอัตตาตัวตนแล้วก็ยึดติดในบทที่สมมติกันพระนัทนยังบอกว่า เพิ่วงสังโยชน์ทั้งปวงเสียไปสุดๆเลยนะสังโยชน์ทั้งปวงนี่สุดๆแล้วก็แสดงมาเทวดานี่ไม่บอกเลยเป็นเทวดาที่มีพื้นฐานความรอบรู้สูงคํากล่าวเนี่ยให้เราสังเกตว่าธรรมะก็คือสัจธรรมเครสัมผัสได้ก็คือก็ก็สามารถที่จะแสดงออกมาได้ บางทีสัมผัส ด, ด้วยการศึกษาบางทีสัมผัส ด, ด้วยการพิจารณาบางทีสัมผัสตรงเลยโ ด, ย, ดยผลของการปฏิบัติแต่เทวดาที่กล่าวอย่างนี้ไม่เบานะมาขนาดนี้นี่เราก็ไม่ค่อยเจอเทวดากล่าวขนาดว่าเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องเป็ไม่ใจพึงล่วงสังโยชน์ทั้งปวงเสียสังโยชน์นั้นคือเป็นกิเลสประเภทที่ผูกใจสัต อเอ้ก็จริงก็คือโลภะโทสะโมหะนั่นแหละแต่มันละเอียดตามปกติก็อยู่ในส่วนลึกของจิตวเวลาเกิดมาปรุงจิตมันก็กลายเป็นนิวรณตามจิตคุณโมเศร้าหมองก็เป็นอุปกิเลยแล้วก็เรียกชื่อเยอะนะเรียกชื่อตามอาการที่สังโยชนีน่ก็ปรากฏตัวในลักษณะต่างๆ แต่ทั้งก็พูดลึกลงไปจนเป็นอนุสัยเป็นสังโยชน์เป็นอาสวะพวกนี้จะอยู่ลึกนะฮะวันคนที่ละได้หมดเนี่ยมันต้องเป็นพระอรหันต์ระโสรบาลก็ละสังโยชน์สามข้อแรกได้คือสักกายติติความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนมีตัวมีตนเป็นตัวเป็นตน จนถึงก็ไปยึดติดว่าขันห้าเป็นตนตนเป็นขันห้าขันห้ามีอยู่ในตนตนมีอยู่ในขันห้าเป็นรายละเอียดที่ยากจะทาความเข้าใจน่มันเป็นขนะของจิตทนั้นเองแล้วก็ละวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงสงสัยในพัฒนาใราในใจสิกขาในเรื่องอดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตและในกฎของปฏิจจการ การแก้กจัดความสงสัยของท่านมีสองอย่างอย่างหนึ่งใช้ปัญญานำอย่างหนึ่งใช้ศรัทธาายความมาทั้งสองอย่างเนี่ยมันสว่างกับผ่องใสก็คือสว่างด้วยกันเรื่องมาเรื่องเราไม่ลังเลเพราะรศรัทธาหมอก็สั่งยาหมอจะจิตยาให้เราเชื่อหมอเราก็ปล่อยให้ชี พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เราเชื่อพระพุทธเจ้าเราก็ปฏิบัติตามแต่ว่าคนเราเนี่ยทวนใหญ่สังคมไทยนี่ยนึกๆแล้วก็ท้อนะพระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องสังสารวัฏเรื่องกรรมเรื่องหมดทั้งกิเลสทั้งกรรมที่นำไปสู่สังสารวัฏเป็นสัมผัสตรงจากการสัสรู้นะ เราเรียนเรืเร่องพระพุทธเจ้าตัดสรู้มาตัง้งแต่ไหนแต่ไรเลยแต่เราสังเกตว่าพยายานสามข้อนี่เรายังสงสัยกันอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองสงสัยชาติหน้ามีจริงไมมชาติก่อนมีจริงไมมคนเราตายแล้วเกิดไม้ก็คือสงสัยเรื่องสังสารวัฏนะทำไมคนนั้นจึงเป็นอย่างนั้นทำไมคนนี้จึงเป็นอย่างนี้ทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชัว่วดดีมีทุไปลายเนี่ย ก็แสดงว่าเราก็สงสัยเรื่องพอยานของพระพุทธเจ้าในคนระดับปัสสาบัณเนี่ยท่านศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพ <Đây S 3> ระรัตนตรัยในไตรติคาเพราะเรื่องอดีตนาคตทั้งอดีตนาคตและกฎของปัจจัยการนั้นมันเป็นพระธรรมแล้วก็เป็นหนึ่งในไตรติคาเมื่อได้ไม่สงสัยตรงนั้นท่านก็ไม่สงสัยในอีกสี่ข้อที่ตามมา เพราะจริงๆเราไม่สงสัยในพุทธยาประธรรมพระสงค์ในเจติขาก็จบแล้วนะอย่างอื่นมันก็เกิดขึ้นตามมาเองแล้วก็ไม่ถือมั่นด้วยศีลวัดในข้อปฏิบัติต่างๆความครั้งความศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์อะไรต่างๆันก่อนลุกศิษย์ที่เป็นเจ้าคณะจังหวัดนครก็โตมาก็เลยสอบถามเขาว่าขาว่าจตุคามรามาธินี่ดังได้เกิน บอกว่าดังจริงๆเลยวัดเมาเคยอยู่สมัยตอนบวชพรรษาที่สองนะฮะหรือวัดพระนครปรากฏว่าสร้างจจดุคามรามเทพเนี่ยสร้างกุิสร้างสร้างอาคารได้สามหลังแล้วนี่ก็คือที่จริงมึงเป็นสีนวัดอย่างเดียว แต่ว่ามันก็เหมาะสมสมหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นเรื่องขวัญเป็นเรื่องกาลังใจเป็นเรื่องกระแสที่สร้างขึน้นถึงบางครั้งบางคราวเนี่ยคือวันก่อนมีหนังสืออะไรชื่อสารสวรรค์เราไปเปิดเปิดสมนาพระนักไวแทนนายเขาแจกหนังสือเรื่องสารสวรรค์เราอ่านแล้วท้อเลย มีแต่พระเครื่องปลุกเสกเต็มทางเล่มมันเป็นเป็นเป็นหนังสือทางาศาสนานะฮะแต่ทาไมไปเล่นตรงได้ไม่รู้มันก็คือคือศีลปฏตบรามา่างแดงแต่เราก็ปฏิเสธเขาไม่ได้หรอกมันเป็นวุ ธ, ธิภาวะของคนนะสองข้อนี้สามข้อนี้พระโสดาตกิจคาละได้ แล้ว ก, วาการราา็การมราคะปฏิฆะการมราคะก็คือจิตกำหนัดด้วยอำนาจของการมราคะในพวกวัตถุโลกกับวัตถุทั้งหลายพวกแง่ันดับเพราะนั้นพระนาคามีจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเรื่องทางเพศแล้วก็เป็นคารวัตสมุนีเป็นนักบวชแต่อยู่ภายในบ้านนี่ ไม่ประกอบกิจกรรมแบบชาวบ้านอย่างอัตภาพไม่เป็นไปก็กข้าถึงเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะแล้วก็ปฏิฆะทีนี้พอมาถึงพระอาหารหันนี่ท่านละได้เพิ่มมีด้ค่าขอคือรูปประราค่าความกำหนัดพอใจในรูปฌานเฉพาะในกรณีนี้นะฮะ เรรู ป, ปราคาความพอใจในรูปปะชาตมานะนี่กระดับได้ที่นี่อุทตจจะของฟุ้งท่านกระดับได้ที่นี่แล้วก็ถอนรากงาวของสัพกิเลส ท, ที่มีสารพัดชื่อเนี่ยคืออวิชชารากงาของสัพกิเลสกระดับผลตะลุนสังโยดได้ต่อไปท่านท่านท่านจะแสดงเป็นผลนะครับคือ บอกว่าย่อมไม่ตกทุกย่อมไม่ทุกทั้งหลายย่อมไม่ตกถึงบุคคลนั้นเพราะว่าทุกเนี่ยมันมาจากกิเลสเราเอาตัวตนเราไปรับว่าเราเป็นทุกที่จริงทุกเนี่ยมันเป็นกระบวนการธรรมชาติเราอา จ, จะกล่าวว่าโลกนี่เป็นทุกวนวลๆทั้งไป ทุกตอ น, นั้นเกิดขึ้นทุกตอ น, นั้นตั้งอยู่ทุกตอ น, นั้นดับไปนอกจากทุกเว้นมีอะไรเกิดนอกจากทุกเว้นมีอะไรดับมันก็เป็นกระบวนการของทุกขล้วนแต่ว่ามันมาจากคนมันเกิดได้สมหรับคนที่มีกิเลสแตนี้เมื่อสนับกิเลสหมดมันทุกมันก็หมดก็สรุปว่าผลชี้กิเลสมันหมดเนี่ยมันเป็นความสมบูรณ์ของอริยมรรคมันต้องกลับไปที่นอน และสิ่งที่ป ร, กกรกากฏกจีกกรทั่งคือนิโรดนิโรดนั้นเป็นผลที่ยั่งยืนตลอดไปในขณะ ท, ที่ทุกข์ก็ดับตลอดไปแล้วกิเลกก็ดับตลอดไปตรงนี้ถ้าท่านผู้ฟังลองนึกถึงมงคลสูตรมงคลสูตรสี่ข้อสุดท้ายนีย ที่บอกว่าพุทธสโลกธรรมเบหิจิตังยตานะกรมรมปติโยโสกังวิริชังเขียังเอตามังกาลุตามตังคือเวลากระทบอารมณ์โลกธรรมทั้งสี่ทั้ง8เนี่ยนะไม่หวั่นไหวไม่เศร้าโศกจิตไม่มีกิเลสเพราะจิตจึงกระเกษยมจะเสียมีตลอดคำด่าคํายกย่องสรเสริญ คนไหว้ไม่ไหว้มันมัเป็นเรื่องปกติกันนั้นท่านท่านไม่ได้ยินดีต่อการไหว้และยินร้ายต่อการไม่ไหว้แหละเห็นไหมท่านไม่มีอัตตาตัวตนท่านไม่มีมานะว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จะต้องต้อนรับอย่างนี้มันไม่เนี่ยนี่ก็คือเป็นการอธิบายนิพพานอีกรูปหนึ่งแล้วก็ผู้ไม่เกี่ยวข้องในนา ม, มารูปคือนา ม, มารูปมันคงมีอยู่ แต่ว่าจิตที่เป็นเหตุยึดถือในนามารูปเนี่ยกิเลสเป็นเหตยิทย์ถือในนามารูปเนี่ยมันไม่มีเพราะไมนไม่มีของเราไม่มีเป็นเราไม่มีเป็นตัวตนของเราแล้วผู้ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลอันนี้ก็แบบเดียวกับที่ว่าตะกิ้นี่แหละแบบเดียวกับท้ายมงคลสูุดเพราะกิเลสเป็นเครื่องกังวลกิเลสเป็นเครื่องกังวลเนี่ยเขาเรียกว่าปะปัญจะทำ เป็นการเหนี่ยวรั้งจิตใจของบุคคลเอาไว้ให้เรา เ, เกิกเกเวเราเกเรเราเกิดที่ไหนเนี่ยเราจะกังวลที่นั่นมีความรักก็กังวลมีความโกรธก็กังวลมีความกลัวก็กังวลมีความไม่รู้ก็กังวลเมื่อก่อนดูรายการผู้มาเยือนซึ่งเป็นรายการใหม่เขาก็าไปสัมภาษณ์ท่านเจ้าวา โปรตีโรสังคารามทิยาลากับญาติโยมที่มาอาศัยอยู่ในที่นั้นคือเราเห็นได้ชัดว่าเขาวิตกกังวลอยู่ด้วยความวิตกกังวลแล้วภาพที่เราเห็นนีค่คือคือราษฎรเดินตรวจตลอดแต่ว่าเจ้าหน้าที่นั่งคุยกันเนีเราเห็นภาพแตกต่างเลย ถึงความแตกต่างเลยคือเขาถึงแม้จะอยู่ในกำแพงวัดแล้วเขาก็ยังมิตกังวลหรือว่าเขาถ่ายเจ้าหน้าที่ในช่วงนั่งก็กไม่รู้นะฮะแต่ว่าสรุปว่าถ่ายไปที่ไหนก็นั่งทุกทีก็ไม่ก็เดินตรวจแต่ว่ารัษดรย่งจะเดินตรวจมันสะท้อนถึงจิตความรู้สึกอบูพัน แต่หน้าที่ก็ทํางานตามหน้าที่แต่ว่าคนเหล่านั้นมันมีญาติพี่น้องมันมีลูกเมียก็ดูแล้วเขาจะต้องดูแลก็เกิดอาการมีตกกลางบนแล้วก็บอกว่าขีนาสะวะภิกษุละบัญญัติเสียแล้วไม่ติดมานะแล้วขีนาสะวะก็คือขีนาศพผู้มีอาสวะสิ้นแล้วอย่าลือมาอาสวะข้อสุดท้ายนีย่คืออวิชชาสะวะ มันก็มีการมัทสวาวัสวะอ ว, ว, วิชาสวะแต่แต่สามก็คือสิบอะก็คือสิบที่ว่านี่แหละอาจจะขยายมากกว่านั้นก็ได้ก็ไม่ว่าอะไรกันแต่ว่าจะผูกโยงเึิงกันได้ตัดตัณหาในนามรูปนี้เสียแล้วนั้นเป็นคุณสมบัติทั้งหมดนะคุณสมบัติคือคุณตรงเนี้มันเป็นมาตวัด แล้วมันมาเป็นแถวมาเลยคือบางทีนับได้เป็นร้อยอย่าจะียกตัวอย่า ง, ง, อ, อ, างอุบาลีกบดีเนี่ยสันเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้าเพียงเพราะท่านบรรลุโสดาบันเท่านั้นเองก่อนหน้านั้นท่านเป็นสาวกของนิครนนาตบุตรแต่เพราะท่านเป็นโสดาบันเนี่ยท่านก็ถึงคุณพระพุทธเจ้าไล่ออกมาเป็นฉันทะลักได้ทีเดียวในพัน พันคุณด้วยกันพันข้อด้วยกันแต่ละข้อนั้นจะสะท้อนปัญญาบริสุทธิ์กุณาอย่างใดอย่างหนึ่งให้เด่นแต่หมายความมาทั้งหมดเป็นที่รวมของปัญญาบริสุทธิ์กุณาเพียงแต่ว่าจะเน้นตัวไหนให้เด่นละ่ะเทนว่าการดับตัณหานั้นจากะการดับตัณหานั้นแสดงถึงความบริสุทธิ์เด่น หรือว่าการถ่ายถอนตัาหานั้นก็แสดงถึงปัญญาชี้เด่นมุติจิติหลุดพ้นแสดงถึงบริสุทธิ์ชีเด่นอนาลโยคือใจไม่อะลายก็แสดงว่าบริสุทธิ์เด่นแล้วปัญญาก็เด็นด้วยนะตัวนี้นี่ก็คือ แสดงให้เห็นว่าคุณเหล่านี้เทวดาก็ว่าได้เยอะนาะหลายข้อเนี่ยแล้วก็บอกว่าพวกเทวดาพวกมนุษย์ในโลกก็ดีในโลกอื่นก็ดีในโลกนี้ก็ดีในโลกอื่นก็ดีใ น, นด ใ, นนดในสวรรค์ทั้งหลายก็ดีดว่ามเราสังเกตนฮะมีโลกนี้โลกอื่นแล้วก็ในสวรรค์ก็อย่างที่เคยบอกนะว่า ที่พระพุทธดำรัส จ, จัดไว้เนี่ยบอกว่าโลกระดับโลกเราเนี่นะโลกมนุษย์เนี่ยมนุษย์เโลกเนี่ยเราเรียกมนุษย์เโลกเขาเรียกอะไรกันไม่รู้แต่ว่ามาตฐานเดียวกันในแสนโกดจักรวาลเนี่ยมีเป็นพันพันดวงแต่เราก็เชื่อตามที่กล้องโทรทัศน์มันส่องถึง แต่พระสัพพยุตยาเนี่ยไปในสาก ล, ลโลกเลยในแสนโกฏจักรวานก็รู้แต่ว่าไม่เคยเอามาพูดอย่างที่บอกเพราะว่าพูดไปก็ท่นนั้นเองอหะคนกลุ่มหนึ่งก็คงไม่เชื่อเพราะไม่เห็นแต่ว่าในแวดวงพระานี่ท่านรู้กันเพราะันเวลาพูดคุยกันก็พูดคุยกันในแวดวงพระานยันที่เคยยกเรื่องพระกาพรม ที่ต่อต้านเรื่องอนิจจตาของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพธธสะเด็จพร ะ, พธธะเจ้าเสด็จอันทานอันตรธานจากโลกมนุษย์ไปสู่พรหมโลกแปบ๊บเดียวไปถึงแล้วพอทรมานเสร็จเนี่ยปากกาพรหมยอมรับรากฎกรธพระหานทั้งหลายขึ้นไปเป็นแผงเลยเต็มไปหมดไปลอยอยู่ข้างบนนั่นก็แสดงให้เห็นถึงว่า โลกนี้มันมีหลายโลกเลยแต่บาลีในเช่ส น, สนส่วนส่วนส่วนมากจะใช้าคาว่าอิทโโโะโลโก่ปโรโลโกนะเพราะว่าออส่วนใหญ่พูดกับชาวบ้านแต่วันนี้เทวดาท่านมาพูดมาก ร, ากระทู่หรวพุทธเจ้าวันก็พูดโลกนี้แล้วก็โลกอื่นแล้วก็สวรรค์ก็หมายความว่าแยกแยกสวรรค์ออกไปจากโลกอื่นพระเจ้ารู้ เทวดารู้ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอเรามาพูดอย่างนี้มันก็ชักจะมีปัญหาลนะเพราะจะมีคนกลุ่มหนึ่งนี่เขาไม่เขาเขาไม่เชื่อในสถา น, ใ น, ถานในสถานะเป็นที่อาศัยแห่งสัตว์ทั้งปวงก็ดีในสถานที่เป็นที่อาศัยนะในสถานที่เป็นที่อาศัยของสัตทั้งหลายทั้งปวงก็ดี ก็ไม่พบขีนาสะวะสภิกษุนั้นหมายความมาเมื่อเมื่อท่านนิพพานเนี่ยมันไม่มีที่อ่ะมไม่้มีที่ไปอ่ะอย่างแนวธรรมการธรรมกายเนี่ยามายังเป็นห่วงนะฮะขือลึอกๆยังเป็นห่วงธรรมกายอยู่ไหมว่าในโอกาสต่อไปเนี่ยเขาจะเข้ากับคณะสงฆ์ได้หรือเปล่า เพราะคล้ยๆมันมันเขินๆไปอ่ะแล้วก็คณะสงฆ์เองก็ไม่สนิทวันก่อนที่ประชุมที่พุทธมนฑนเนี่ย<ม>ก็มีพระในกลุ่มเนี่ยกลุ่มธรรมกาในไปองค์หนึ่งก็มีพระตั้งขอสังเกตเพราะนิพพานก็ท่านมันเป็นอายตระนิปปานคือมีที่มันมีที่ไป แล้วมีตัวตนให้ไปทีนี้การเกิดเป็นตัวตนเนี่ยมันต้องอาศัยตันหามานะทิจิก็แสดงว่าถ้าเหล่านั้นลากกิเลสจะไม่ได้คืออย่าลืมว่าพพชาติเนี่ยมันเขาพูดสหสมบคนมีกิเลสกับมีกรรมทีนี้พระอาหารเนี่ยมันดับพพรับชาติอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงฐานะของพระองค์ในธรรมจักรนะฮะบอกว่า ก็เลยานได้บังเกิดขึ้นแล้วแกเราว่าการหลุดพ้นของเราไม่กำเริบคือไม่เปลี่ยนแปลงแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายคือชาติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเป็นชาติสุดท้ายแล้วไม่มีชาติไม่มีภพจึงไม่มีภูมิเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสเป็นเหตุให้เกิดภพภูมิมันไม่ดีท่านก็อธิบายให้เห็นว่า พระคีณาศพเนี่ยไม่ไ ม, ไม่ไม่มีในที่ใดอ่ะในโลกในโลกนี้ในโลกอื่นในสวรรค์หรือแม้แต่ในพรหมโลกคือในคตินี้ในกรณีนี้เขาเรียกว่าสุคติคติหมายถึงสวรรค์ด้วยหมายถึงพรหมโลกด้วยไม่มีพระอรหรันติธานิพันแล้วนะฮะติธา น, นิพันแล้วผู้มีเครื่องผูกอันตัดเสียแล้ว ไม่มีทุกข์ไม่มีตัณหาแต่ว่าตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ในรูปร่างกายก็อยู่นั่นแหละนะฮะแต่ว่าเมื่อท่านนิพพานแล้วเนี่ยมันไม่มีภพภูมิไปที่ไปที่บังเกิดแล้วเราก็นึกไม่ออกนะฮะว่าสมมติบรรลุมรรคผลเป็นพระหัน์แล้วก็ไปอยู่ที่อา ญ, ญาตนาณิพพานเมืองแก้วกล่าวแล้วคือพระนิพพานสุขาวดีพุทธกายนเกษตร ไปอยู่กับพราทิตพุทธะ ห, ห, หรือไปออมิตาพระพุทธะอะไรก็ตามที่ว่าก็เรียกกันอุตรุษมาเลยนึกไม่ออกอยู่ทําอะไรอยู่ทำอะไ ร, ะไรเพรา ะ, ะมันขัดแย้งกับสภาวะทางจิตท่านอย่างแรงมากเลยสภาวะทางจิตของพระอระหันต์นี่มีปัญญาแล้วใจบริสุทธิ์พอใจบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสมันสัมผัสบรมสุขเอกันตะบรมสุขมันสุขสุดสุด ซึ่งคนสัมผัสทันเองจะรู้ได้วันใจมันจะเกิดก ร, รุณาต่อคนอื่นต้องการให้เขาสัมผัสสุขอย่างนั้นด้วยเพราะในกลารไปนอนเฉยๆยังนึกไม่ออกไปอยู่ทาอะไรแล้วก็ไม่น่าสนุกไม่น่าจะเกิดมาไปทซ้าไปที่เกิดไปทำาะไรไปอยู่เฉยๆอย่างนั้นได้สาระ มันกล้ ๆ, ๆกับชีวิตคนเราผ่านเวลาไปวันๆนอนหาความสุขสนานไปนอนวันเนี่ยมันได้อะไรอ่ะมีสาระแก่นสารอะไรวัมือนบาลีในแนวนี้มีเยอะแล้วตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยมีผู้ใหญ่ท่านขอให้มารวบรวมเรื่องประเด็นเนี่ยลราก็อนิพานสูตรหลายสูตรนะฮะไปอธิบายท่านดู แต่ว่าคือไม่อยากจะไปถกเถียงเสียเวลาเสียเวลาที่จะตกเสียงกันในเรื่องเหล่านี้แต่ส่วนหนึ่งเราก็ชื่นชมนะฮะที่เขาเอาคนมารักษาศีลได้แต่ในเราเป็นห่วงก็คือเรื่องอะไรมากเกินไปมันขัดแย้งกันหมดอะภาวะของจิตที่ไม่โลภแล้วก็เรื่องไรเนี่ยมันมันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะจิตที่ไม่โลภจะเป็นจิตคิดอนุเคราะห์โลก มันไม่จิตไม่ใช่จิต ท, ที่ให้ชาวโลกมาปลปรือตัวเองนั่นคือภาวะ ท, ที่มันขัดแย้งกันเองแล้วก็ดูจิตถ้าได้ยินเขาทุ้งติงอย่างนี้แล้วก็โกรธก็แสดงชัดเจนว่าไม่บรรลุนิพพานเองไม่บรรลุจริงๆหรอกอันนี้คือท่านอธิบายลักษณะของนิพพานและของพระอรหันต์แต่ละข้อเนี่ย แยกเดี่ยวก็ได้แต่ท่านอธิบายใะเยอะเลยเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตหลังตายของพระหัรว่าไม่มีชีวิตหลังจากพระหรันิพานแล้วเป็นการดับโดยไม่มีเชื้ อ, อยังเหลืออยู่เฉพาะพระคุณพูะเจ้าเรายังดำรงอยู่เฉพาะพระคุณ บรนกรนอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขาส่งมาคือปกติไม่ค่อยอ่านหนังสือหลวงพ่อองค์เนี้ยก็ดูก็หน่อยหนึงบอกว่าอธิบายเรื่องปฏิจจสมุบาทเราอ่านจบตอนยังไม่เจอปฏิจจสมบาทิเลยก็พระพุทธเจ้าเมือนก็เพื่อนนะ่ะพุทธเจ้ามาเยี่ยมเราพุทธเจ้ามาคุยไปถามพระพุทธเจ้าที่ด้านที่ น, น, นี่พูดเป็นตุเป็นตะ คนขึ้นจังเลยอันนี้คือคือสังคมเราเนี่ยอ่อนร่อยในเรื่องเหล่านี้เราจะเห็นว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงในอย่างอื่นมันต้องตามมาแต่เป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่าง น, า น, างนี้ต้องเป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างเงี้ยคือสังคมพุทธต้องคิดเป็นระบบได้มันไม่ใช่ปะตันอยู่ตรงตรงใดตรงหนึ่ง เพราะจริงๆมันทำลายทำลายเอกลักษณ์ของอรหันตสมาธิสมุทธเจ้าที่เป็นโลกานนกรรมปรโกคือเป็นผู้นุเคราะห์ต่อโลกมีนิพพานไป 2,500 กว่าปีแล้วเกือบ600ปีแล้วนะฮะแล้วก็ศาสนาพุทธเนี่เกิดปัญหาเยอะในที่ต่างๆเนี่ยแต่พระเจ้ า, ายัางนำลงมาจนอยู่ก็ต้องมาช่วย คือสงสารชาวโลกวเวลานี้จริงชาวโลกนี่แย่มากนะทำไมปัจจุบันนี่แย่มากเลยปัญหาศีลธรรมตกต่ำเราพูดเรื่องจริยธรรมพูดเรื่องคุณธรรมพูดเรื่องศีลธรรมพูดเรื่องสัจจะพูดเรื่องขันติพูดเรื่องเมตตาอะไรอะไรกันเยอะแต่ความรุนแรงมันไม่ลดอะโลกยังคงเบียดเบียนประทัดร้อยกันมันมาจากอะไรละ่ะมาจาก อ่างการมามังการคือเรากับของเราเรากับพวกของเราแล้วก็ไม่นังขังขอบกับคนอื่นกลายกับตัวเองเป็นเจ้าของโลกนี้โดยลำพังตัวเองกับพวกตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของโลกนี้โดยลำพังบัญามังกรจะแก้ยากนะฮะเือความเท่ไร เสียงธรรมจากหมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจึงมีและท่านผู้ฟังทั้งหลายดยท่วกันสวัสดี